สสมัทคือนีเข้าป้อมทำเมื่อจำเป็นวงเล็บเปิดสิบมีนาคมสองพันห้าอยห้าสิบเอ็ในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสาสิบแปดวงเล็บปิดเราอยากไปนี้หาสมรถฐตลอดเวลาสมมติว่าใจเกียดคร้านก็รู้ว่าเกียจคร้านดูไปสิ ความเกียดคร้านก็เป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราดูลงไปเลยล้วนแต่เป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราทั้งสิ้นดูอย่างนี้จนกระทั่งเราเห็นเลยตัวเราไม่มีหรอกแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆฟุ้งซ่านมากจริงเบื่อจริงๆทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยทาสมถะมันเหมือนเราทาสงครามทาสงครามไม่ใช่พอข่าศึกมาเราก็หนีเข้าป้อมเออะก็หลบเข้าป้อมตลอด ไม่ได้สมถะมันคือที่หนีเข้าป้อมนั่นแหละฉะนั้นเราถอยเข้าป้อมเมื่อจาเป็นแต่ถ้าตอนไหนเรามีกำลังเราต้องเข้าตีเราตามรู้กายตามรู้ใจเก็บคะแนนไปเรื่อยๆใจมันเบื่อก็รู้ว่าเบือ่อใจมันโลภก็รู้ว่าโลภใจมันโกรธก็รู้ว่าโกรธใจมันขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจรู้ไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าใจของเราแต่ละชนิดแต่ละชนิดเกิดแล้วดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราดูให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างร่างกายนี้เดี๋ยวก็ยื น, นเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้านะเดี๋ยวกระพริบตาเดี๋ยวหยุดนิ่งเดี๋ยวเคลื่อนไหวเราดูไปเรื่อยๆร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้จิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันพยายามดูให้เห็นว่า ทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่ใช่คิดเอานะต้องรู้เอา